สวัสดีครับคุณแดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแดนครับผมได้เสียงพี่ก่อนชัดเจนไหมครับอ่าชัดเจ้าครับคุณแดนช่วยขวัญเสียงดังหน่อยนะได้ครับไดครับเพราะเสียงคุณแดงดูแบบไกลๆแล้วก็เบาๆอ่ะที่ฝันได้ยินไหยครับผมอ่าอย่างงี้เลยอย่างงี้เลยขออย่างงี้เลยนะอ่าครับผมโอเคตอนนี้แดนโทรมาจากไหนครับอ่าชนบุรีครับผมชนบุรีคืนนี้หนาวยังก็ ไม่หนาวครับร้อนครับผมร้อนเหมือนจะหนาวจะหนาไม่ยอมหนาวทีนะใช่ครับใช่ครับอ่าโอเคที่เป็นครั้งแรกไม่แดนที่เราคุยกันอือครั้งแรกครับผมครั้งแรกครับตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมาครับผมอมามามามานะครับแดนอยู่ใครเนี่ยก็อยู่ห้องกาแฟครับอ๋อแล้ว่าแฟนแฟนหลับแล้วครับผมเอแล้วใครเล่นเก้าอี้เนี่ย ไ ม, ไม่ไม่มีเลยครับมีแดนไม่ไม่ครับเดี๋ยวผมเปิดไฟก่อนครับเฮ้ยแดนเดี๋ยวเดี <ah ๋ดีก่อนเล่าเรื่องเดี๋ยวเดีแดนแดนใจเย็นใจแดนครับพี่ยินถึงสองครั้งเหมือนคนลกเก้าอี้เหมือนเก้าอี้ลากกับพื้นปูน่ะพื้นกระเบื้องอ่ะไม่ไม่มีนลยครับเดี๋ยวผมโอเคผมเปิดไฟนะครับพี่แดนไม่ได้อำมีขวัญนะอ่าครับไม่ได้อำมครับเฮ้ยครับจริงที่ อ้าโอเคโอเคโอเคโอเคเอาไว้ก่อนไว้ก่อนใจเย็นๆแค่นึงโอเคครับมาที่เรื่องแดงก่อนดีกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นมา่อยี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาอ่าใช่ครับตอนผมอยู่ประมาณมอนหนึ่งะครับประมาณอ่าแล้วเรื่องมีอยู่ว่าเออพี่ผมอยากให้พี่พี่ฝันในห้างนะครับคือคือโรงหนังนี้มันเป็นมันไม่ใช่โรงหนังในห้านะครับมันเป็นโรงหนังดูตรงแถวตลาดใช่ไหมครับโอเคแค่นี้พอไม่ต้องระบุมากนะอ่าครับโอเคครับเรื่องเป็นยังไงบ้างเชิญเลยครับ ก็วันนั้นไปดูไปดูหนังใช่ไหมคือมันจะเป็นหนังสองเรื่องควบเชื่งครับพี่เราผมก็ดันหลับหลับในโรงหนังใช่ไหมคืออยากให้พี่ฝันนึกภาพว่าคือโรงหนังเนี้ยมันเป็นโลกที่ใหญ่มากครับแล้วผมอะชอบถ้าผมดูหนังใช่พี่ผมชอบนั่งขถวตรงกลางใช่ไหมครับตรงกลางหนังแล้วนั่นคือหลับก็คือมันหลับปุ๊บแล้วคือหนังจบก็คือมันไม่มีวันนั้น ถ้าที่ผมจําได้มันมีคนดูหนังอยู่มาครักกว่า20คนใช่ไหมครับเราก็หนังจบคือเขาก็ต้องปิดไฟใช่ไหมครับพี่ไฟมืดมืดมาแล้วผมตื่นมาผมก็ยึงตุ่นผมก็ยิ้ตื่นมาก็คือแบบเหมือนได้ยินเสียงแบบว่าคนโยกโยกโยกเบาเบาหนังอะคือโยกเสียงดังเสียงดังที่แด่ที่แดเดี๋ยเะนะตอนนั้นที่แดนไปดูเนี่ย20กว่าปีที่ผ่านมาตอนนั้นแดนอายุเท่าไหร่อะก็ อ, อยู่ประมาณปอ ป .6 เข้ามอ .1 เนี่ยครับแสดงแสดงว่าแดนไปดูไปดูว่าใครก็หนิงเรียนไปดูไปดูกับเพื่อนนะแต่ว่าเพื่อนมันไม่ดูเพื่อนมันกลับก่อนนะครับครับเราเลยเข้าไปดูคนเดียวอ่าใช่ครับดูคนเดียวเออาก็คือโรงหนังก็ปิดไฟใช่ไหมฮะแล้วคือผมก็จะตื่นติขึ้นมาคือติขึ้นมามันก็มืดตื่นเต๋อมืดมืดมากครับพี่เราก็แต่ว่าโรงหนังก็คือมันจะมีแบบว่าจะมีแสงไฟตรงที่ว่าทางออกใช่ไหมครับอืมเออผมก็เอามือคำคำครับมือคำค คือลงหนังคือมันใหญ่แล้วต้องมือคำคำมาตรงตรงคนใดเลยพี่คนใดแล้วคําปุ๊บก็เหมือนกับได้ยินเสียงแบบว่าผู้หญิงร้องไห้กับหัวเราะคือสลับกันนะครับคือแต่แต่ผมไม่จับจับต้นต้นเสียงไม่ได้อยู่ตรงไหนใช่ไหมฮะครับแล้วคือผมก็เข้าตอนนั้นนใจคอผมเรือมผมมาเริ่มผมร้องไห้แล้วครับผมสติแตกแล้วคือว่าคือโรงหนังมันใหญ่แล้วคือผมก็รู้ กับประวัติโรงหนังนี่ก็คือโรงหนังเนี่ยมันเป็นยังไงมันก่อนใช่ไหมคือว่าก็คือร้องไห้มากคือคือบอกว่าแล้วเออเอิญก็เห็นจะมีจะมีแบบแสงไฟครอย่างไฟข้างนอกใช่ไหมครัคือผมเดี๋ยวแดนแดนนิดนึงแดนนิดนึงแดนแดนเย็นนะตอนนี้ตอนนี้แดนเล่าเร็วมากเลยนะครับแดนเย็นนะครับค่อยๆเล่านะอ่าได้ครับตั้งติดีนะครับครับโอเคลุยครับก็คือผมได้เห็นเหมือนจริงเหมือนเป็นตาแม่บ้างใช่ไหมครับผมก็ต้องโกรเรียกตาว่า ป้าครับป้าคือผมอยู่นี่ป้าป้าหานมามองเขาก็บอกว่าเอาหลับในกองหนังเหรออผมผมบอกครับครับครับป้าผมออกเลยครับคือป้าเขาก็เออมอนก็ป้าก็ส่องส่องไปฉายอย่างเงี้ยก็ให้ให้ผมเดินขึ้นตรงบันไดผมว่าคารได้เครับว่าผมก็รู้สึกดีใช่ไหมงะแล้วป้าบอกป้าผมขอออกหน่อยได้ไหมครับอืป้าไม่มีกุญแจเดี๋ยวป้าขอเอากุญแจห้องน้ําก่อนป้าเดี๋ยวนะทําไมทําไมต้องใช้กุญแจ ก็คือคือสมัยก่อนคือมันจะเป็นลงหนังแบบว่าเป็นป ร, ประตูกระจกแบบเหมือนเซเว่นใช่ไหมพี่คือประตูกระจกแบบเซเว่นแบบเปิดดึงได้คือลงหนังก<อ>็ติดลงหนังเขาคุ<อ>้มเจ้าแก่ลอกะครับผมครับครับเแล้วป้าเขาก็เข้าไปในห้องน้ำํำ<อ>คือตอนนั้นคือผูมเห็นป้าแบบว่าเดินเข้าไปน้องน้าคือป้าเขาไม่ได้เปิดประตูในห้องน้ําพี่คือป้าเขาแบบเดินผ่านประตูเข้าไปเลยอะครับ คือเดิ น, น, นเดินทะลุ ป, ประตูเข้าไปเหรออ่าใช่เดินทะ <Hey! S 2> ลุประตูไปเลยคื อ, อผมสติดแตกแล้วพี่คือผมร้องไห้ละคือผมร้องไห้เลยผมเยี่ยวเยี่ยวแตกเลยเผมก็แหกปากตะโกนแบบให้คนมันช่วยก็คือมันเป็นประตูประตูกระจกใช่ไหมพี่ผมก็เคาะเคาะเคาะเคาะคือตอนนั้นร้องไห้ละแล้วพอดีก็มีลุงลุงเขาอยู่ทั้ง ข้าล่างไ ะ, ะเขาไปยินเสียงเขาขึ้นมาบอกเขาก็บอกว่ า, วาเฮ้ยมึงไอ้หนุ่มมึงมาขโมยของเหรอผ ม, อ ม, มอผมบอกว่าเปล่าครับลงุงเปล่าไม่ได้ขโมยก็ผมมาลุกหนังให้ผมหลับในโรงหนังครับอ๋ออเอเดี๋ลเออเ่บ้านบ้านวันนี้เดี๋ยวกูเอาอุจจมาให้ออลุงเขาก็ไปเอาอุจจมาให้คือแบบผมแบบร้องไห้มากเลยแล้วคือลุงแกมาช้ามากครับพี่ผมเลยแบบว่าเอามือนะฮะเอามือทุบทุบกับประตูกระจกใช่ไหมฮะคะอือมันล้าวอันี้คือผมก็ ดันดันดให้มันแตกเนี่คือประตูกาจบมันก็แตกเราใช่ไหมครับแตกเลยหรอแตกเลยครับแล้วนีมันก็เป็นมันก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ลุงก็บอกอ้าวทำไมมึงไม่รอกูบอกลุงที่ที่ผมเจอเจอผีแมวน้ำครับลุงเออลุงบอกโหอีพรแน่ๆเลยผมก็เดี๋ยวลุงพาผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอไปนอกไม่ได้ไม่ได้มึงทำกาจบแตกเนี่ยเดี๋ยวคุต้องโทรแจ้งตำรวจก่อนให้มาให้มาคุยเรื่องนี้ก่อนคือ ลุงเขาโทรแจร้งตำรวจมาแล้วตำรวจเขามาถามผมว่าให้โทรไปรสับไปหาพ่อแม่ว่าให้มา uh huh. ดูเสียครับตัดเขาก็เล่าว่าเขากับมึงอยู่ในหนังได้ยังไงบวก uh huh. ผมก็บอกว่าเออผมมาดูหนังใช่ไหมใช uh ่ไหมครับแล้วผมก็หลับในโรงหนังออ uh huh. แล้วโรงหนังก็ปิดไฟโรงหนังมันก็มืดมากแล้วผมก็ได้ยินเสียงแบบว่าเหมือนแบบคนผู้หญิงร้องไห้แล้วก็หัวเราะในเวลาร้อมกันออ uh ื huh. แล้วผมก็เห็นต้าแม่บ้านนะฮะคือแก แกถูเหมือนแบบถูไม้ม้อปะครั บ, รบตรงประตูตรงหน้าห้องน้ำผมก็เล็กไอ้ปลาช่วยป ล, บ า, ลาบอกว่าคือลุงก็บอกว่าโรงหนังเนี่ยครับเจี๊ยรเนี่ยเพิ่งตายได้ประมาณเกือบวันที่เจ็ดเองผมไปถามว่าเขาเป็นไรตายลุงเขาโดนเด็กดงกาวข่าปาคอในห้องน้ำอุ้ยเหรอแล้วถามว่าแล้ว ตำรวจบอกว่าเอาทำไม<อ>ตำรวจก็าถามว่าแล้วจเอาไงเนี่ยไอ้กระจกอย่างเงี้ยกระจกที่แตกเนี่ย<อ>คือผมต้องบอกว่าเดี๋ยวผมต้องรอให้แม่ผมมาเคลียรครับอือคือเรื่องมันก็มีแนวแนวเนี้ยครับผมเดี๋ยวนะตอนนั้นคุณไปดูหนังต้องกี่โมงอ่าผมมาดูรอบรอบบ่ายสองโมงครับผมบ่ายสองโมงคือโดดเรียนไปดูอบูงตรงอ่าใช่ครับผมอ่าโดดเรียนไปดูกับเพื่อนไปนเที่ยวแหละถูกไหมครับ ก็เพลิดาไปแล้วเพื่อนก็เลปลุกเล่าเหรอแม่คือคือเพื่อนมันแบบว่าไม่เข้าไปดูอ่าใช่เป็นหนังจีนเพื่อนไม่ดูครับผม้ผมดูคือลงหนังเนี่ยผมคือผมก็ไปดูบ่อยนะครับพี่คือไปดูบ่อยคือผมก็รู้ก็รู้เส้นทางว่าประตูทางออกอยู่ไหนยังไงยังไงเนี่ยครับเอ่มันครั้งแรกครคือที่ผมเห็นแล้วแบบคือเยียวแตกขีแตกนะครับอ๋อฉี่แตกเลยมั้งเนอะก็คือคือลุ้นๆแบบกลับมาคือ พ่อตีใหญ่เลยครัต้องไปเสียค่าปัดประตูลงหนังเขาเหยียดมันก็เลยเข็ดตามมันตายเลยครก็เลยไม่กล้าโดดเรียนไปดูหนังอีกเลยอ่าใช่อ่ะที่แบบมันครั้งแรกครับที่ว่าได้เจอเหตุการณ์่คือแบบว่าแต่ว่าสภาพตอนที่ป้าเข้ามาป้าเขาก็เหมือนคนปกติครับเขาดูไม่ไม่มีทีท่าว่าเป็นเป็นผีเป็นลิญญาอะไรก็คุยโต้ตอบเปนธรรมดาเนี่ยครับครับโอ้โหก็ดูกับเหมือนแก้ยากจะช่วยเรามัน แต่ว่าช่วยก็ก็มไม่น่าช่วยก็ถ้าถ้าเขาช่วยมาแล้วทําไมก็ต้องให้ผมเห็นแบบผ่านเข้าไปประตูในห้องน้ําด้วยครับเอเ ข, นะเข้าใจนะเขาใจรู้เพราะว่าเราก็อยากจะออกใช่เห็นป้ากวาดอยู่ข้างหน้าประตูแล้วก็วิ่งออกไปป้าช่วยผมหน่อยผมยะออกไปเอา้า<ช>เองไมาทะไรเนี่ยก็ผมอนอนหลับอยู่โอเคโอเคเรอแป๊บนึ่งเดี๋ยวคุณแจก่อนก็เดินหายวับในห้องน้ํำต่อหน้าต่อตาเราเลยอ่าใช่ครับอืมคุณฟ้ารสึแบบว่าแบบมันแบบเหมัน มันก้าวขาไม่ออกขึ้นต้นหอมันมันลุกมันแบบลุกผมรู้เลยอาการที่ว่าโดนผีหลอกเป็นยังไงคือขามันก้าวไม่ออกตัวมันแข็งแบบครับแบบเยี่ยวเยี่ยวแตกที่แตกก็เป็นยังไงผมก็ไม่รู้รู้สึกยังไงครับจริครับนั่นคือสองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโรงหนังเหตุการณ์แรกดินเสียงผู้หญิงก็จับไปความไม่ได้ตื่นมาก็มืดไปหมดเลยถูกไหมฮะแล้วมันเจอป้าเลยโอ้ที่มันจะักเห็นแค่ว่า แสงไฟตรงประตูทางออกคือโรงหนังมันจะมีแสงไฟวัดทางออกทางออกนะฮะครับที่โรงหนังสมัยก่อนมันก็เหมือนสมัยนี้ใช่สมัยก่อนมันจะมืดมืดเลยมันจะไม่มีไฟอตรงตรงบันไดอที่มันจะมืดเลยครับแล้วโรงหนังโรงหนังนี้มันใหญ่มากนะฮะใหญ่มากมันจุคนได้มาเกือบเก้าร้อยกว่าคนครับผมโอ้ ใหญ่มากสมัยก่อนใหญ่มากครับผมจอจอใหญ่มากครับผมจอใหญ่มากพี่นึกถึงตอนที่ตอนที่แดนเล่าพี่นึกถึงโรงหนังที่พี่ชอบเข้าไปดูสมัยก่อนอยู่ที่บ้านพี่ขวัญเหมือนกันที่ต่างจังหวัดอารมณ์เหมือนกันเลยครับที่นั่งตอนนั้นพี่ไม่แน่ใจว่าของของแดนนไปที่นั่งแบบเป็นเบาหรือเปล่า เป็นบอกหรือว่าหรือวเป็นตอกไม้อะฮะเป็นบอกใช่ไหมครับบอกครับ็คือบอกชื่อโรงหนังได้ไหมคือโรงหนังไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไรได้ผไม่เป็นไรอย่าดีกว่านะครับแต่ว่าก็ไม่แน่แต่ว่าหน้าเวทีหน้าจอจะมีเวทีป่ะมันเป็นโลกนะครับเป็นโลกเป็นโลกไอตอนถ่ายหนังมันก็ดูแบบคึกคื้นมีสังสว่างใช่ใช่ฮะแต่พอมมนไม่ไม่ไม่ใช่หนังปุ๊บเนี่ยมันดูน่ากลัวน่าลงหนังแล้วกลิ่นกลิ่นลงหนังมันจะแบบ มันจะบอกไม่ถูกอะ่ะมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของลงหนังอะ่ะผมรู้สึกอย่างนี้นนะมันกลิ่นเหม็อนอับแบบเหมือนแบบน้ำแบบออน้ำซีน้ำซุ่มแบงเทกับพื้นเนี่ยมันจะเหม็อนอับมากเอออย่างนั้นอย่างนั้นอารมณ์อย่างนั้นนะนะแล้วพื้นพื้นลงหนังนี่เป็นพื้นปูนใช่คะ เ, ออเป็นมัน เ, เป็นเหมือนบันไดลงมาข้างๆคือทางทางออกก็จะมีแค่ข้างทางหลังที่นั่งอะไรเงี้ยมันจะเป็นเวลาแค่ช่วงแค่ สี่โมงห้าโมงแต่ว่าในโรงหนังมันมันมืดมากเสียงมันก้องครับผมเออนะฮะนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นตร้งแต่นั้นมาก็เลยเข็ดเลยเนี่ยเป็นเพราะว่าเป็นเพราะว่าเราเนี่ยเราทําตัวไม่ดีกัโดดเรียกไงไม่คือวันนั้นแบบว่าตั้งใจจะโรงหนังนี้มันเป็นหสังโปมันฉายซีย่คืออยากไปดูนนเนี่ยมอ ง, ง, งเนี่ยค่ะแบบมันน่าตีจริงๆนะครับอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดนะนะครับแต่ว่าย้อนกลับไปที่ก่อนเริ่มเริ่มเล่าก่อน ลาเ ก, ก้าอี้เนี่ยมีคุณผู้ฟังส่ ง, ง, งข้อความมาเยอะเลยนะไม่ไม่มีเดีย๋ยวนะตรงที่คุณนั่งอยู่ตรงเนี้ยเป็นเป็นโตเป็นอะไรยังไงฮะก็เป็นผมผมมานั่งกับพื้นครับผมผมมานั่งกับพื้นปูนครับเออแล้วไอเสียงลาเ ก, ก้าอี้บนพื้นปูนน่ะมันเสียงอะไรแฟนคุณหรือเปล่า อ, อ๋อแฟนผมก็อยู่อีกห้องหนึงครับเขานอนในในห้องครับผมเอ่ะออกมานั่งโทรตรงข้างนอกหน้าห้องน้ำครับผมเฮ้ยแต่คุณผู้ฟังส่งมาเยอะเลยนะหลายต่อหลายข้อความเลยนะ มีเสียงร่าเ ก, ก้าอี้จริงนะครับจากคุณมหาจรเจ็ดห้าน้องปุ้ยพ่อผมไม่ ม, ม, ไมีไม่มีเก้าอี้อะพี่อ้าวเฮ้ยดียงีหมดเลยนะข้างนอกก็ได้ยินน ะ, ะบ้าก็ได้ยินนะอยู่หออยู่หอครับหอหชั้ น, นมันไม่น่ามีอะแล้วก็น้องปุย้ยเกษดิตบอกว่าผมได้ยินเสียงเรื่องเก้าอี้ชัดมากเลยครับคุณวายุวัดพระงามนควมปรปฐมบอกว่าผมก็ยินเสียงร่าเ ก, ก้าอี้ครับพี่ขวัญเสียงชัดมากเลยครับ แล้วก็ พ, <อ>พป๊อตแจมบอกว่ามีเสียงเรื่องเก้าอี้ครับผมได้ยินพี่พลบางมดก็บอกได้เสียงเยกับเก้าอี้พื้นปูนสองครั้งจริงๆด้วยใช่ถ้ามันมีก็จะมีข้างห้องแต่ว่าข้างห้องเขาเพิ่งย้ายออกไปวันนี้พี่คงไม่น่าใช่ครับข้างห้องเขาขนของย้ายออกไปวันนี้เองเนอครับแต่เสียงมันชัดมากอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะครับนายก็ขอบคุณมากๆมีพี่เรียกว่าเสถียภาพบอกว่าเรื่องนี้น่ากลัวแต่น้องครับตื่นเต้นมากผมเชื่อนะ เป็นครั้งแรกที่เจอครับโอ้โหเอาเอาเอนะครับเกียวแดกขี้แตกเอออ่าโอเคโอเคได้ครับแดนยังไงก็เดี๋ยวรอรุ่นนะครับว่าเรื่องของแดนจะน่ากลัวที่สุดในค่ำคืนนี้หรือเปล่านะครับผมครับขอบคุณมากครับแดนครับคสวัสดีครับ